ว่าด้วยสิ่งที่เป็นไปไม่ได้พิสูทั้งหลายบรรดาสมณพราหม์เหล่านั้นผู้ที่มีวาทะว่าเที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยงด้วยมูลเหตุสีอย่างเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาเว้นจากภาษาแล้วจะยังรู้สึกได้ผู้ที่มีวาทะว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเทียงบางอย่างไม่เทียงด้วยมูลเหตุสีอย่าง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 ด้วยมูลเหตุสีอย่างเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาเว้นจากพัรษะแล้วจะยังรู้สึกได้พวกที่มีวาทะว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้นเองไม่มีเหตุปัจจัยบัญญัติอัตตาและโลกว่าเกิดขึ้นเองไม่มีเหตุปัจจัยด้วยมูลเหตุสองอย่างเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาเว้นจากพรรษะแล้วจะยังรู้สึกได้พวกที่กาหนดขันส่วนอดีตเห็นคล้อยตามขันส่วนอดีต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 พวกที่มีวาทะว่าอัตตาหลังจากตายแล้วไม่มีสัญญาบัญญัติอัตตาหลังจากตายแล้วว่าไม่มีสัญญาด้วยมูลเหตุแปดอย่างเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาเว้นจากภาษาแล้วจะยังรู้สึกได้พวกที่มีวาทะว่าอัตตาหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่บัญญัติอัตตาหลังจากตายแล้วว่ามีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่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 บัญญัตินิพพานในปัจจุบันว่าเป็นบรมธรรมของสัตว์ด้วยมูลเหตุห้าอย่างเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาเว้นจากภาษะแล้วจะยังรู้สึกได้พวกที่กาหนดขันส่วนอนาคตเห็นคล้อยตามขันส่วนอนาคตปรารบขันส่วนอนาคตประกาศวาทะแสดงทิฏฐิต่างๆด้วยมูลเหตุ44อย่างเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาเว้นจากภาษะแล้วจะยังรู้สึกได้ภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณ์ผู้ที่กำหนดขันธ์ส่วนอดีตพวกที่กำหนดขันธ์ส่วนอนาคตและผู้ที่กำหนดขันธ์นน ท, นนทั้งส่วนอดีตและอนาคตล้วนมีความเห็นคล้อยตามขันธ์ทั้งส่วนอดีตและอนาคตปรารบขันธ์ทั้งส่วนอดีตและอนาคตประกาศวาทะแสดงทิฏฐิต่างๆด้วยมูลเหตุ62อย่างเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาเว้นจากภาษาแล้วจะยังรู้สึกได้ ว่าด้วยวัตตะที่เจ้าลัทธิตั้งไว้ภิกษุทั้งหลายบรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นพวกที่มีวาทะว่าเที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยงด้วยมูลเหตุสี่อย่างพวกที่มีวาทะว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงและถึงพวกที่มีวาทะว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดพวกที่มีวาทะหลบเลี่ยงไม่แน่นอนพวกที่มีวาทะว่า อัตตาและโลกเกิดขึ้นเองไม่มีเหตุปัจจัยพวกที่กําหนดขันส่วนอดีตพวกที่มีวาทะว่าอัตตาหลังจากตายแล้วมีสัญญาพวกที่มีวาทะว่าอัตตาหลังจากตายแล้วไม่มีสัญญาพวกที่มีวาทะว่าอัตตาหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่พวกที่มีวาทะว่าหลังจากตายแล้วอัตตาขาดศูนย์ พวกที่มีวาทะว่ามีสภาพบางอย่างเป็นนิพพานในปัจจุบันพวกที่กําหนดขันส่วนอนาคตพวกที่กําหนดขันส่วนอดีตพวกที่กําหนดขันส่วนอนาค ต, นนาคตและพวกที่กําหนดขันทั้งส่วนอดีตและอนาคตล้วนมีความเห็นคล้อยตามขันทั้งส่วนอดีตและอนาคตปรารบขันทั้งส่วนอดีตและอนาคตประกาศวาทะแสดงทิฏฐิต่างๆด้วยมูลเหตุ62อย่าง สมนะพราหมเหล่านั้นทุกจําพวกรับผัสษาทางพัรษายตนะหกแล้วเกิดเวทนาความรู้สึกเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดมีตันหาความอยากเพราะตันหาเป็นปัจจัยจึงเกิดมีอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดมีพบความมีความเป็นเพราะพบเป็นปัจจัยจึงเกิดมีชาติความเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย จึงเกิดมีชราความแก่มรณะความตายโศกะความเศร้าโศกปริเทวะความคร่ำครวญทุกข์ความไม่สบายกายโทมนัสความไม่สบายใจและอุปายาตความคับแค้นใจ ว่าด้วยไม่มีวัตตะเป็นต้นภิกษุทั้งหลายเมื่อใดภิกษุรู้ชัดถึงความเกิดความดับคุณโทษแห่งภสษาญตณะหกและอุบายเครื่องสลัดภสษายตนะเหล่านั้นออกตามความเป็นจริงเมื่อนั้นเธอย่อมรู้ชัดยิ่งกว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้น อุปมาเหมือนชาวประมงทอดแห่ภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์พวกที่กําหนดขันส่วนอดีตพวกที่กําหนดขันส่วนอนาคตและพวกที่กําหนดขันทั้งส่วนอดีตและอนาคตล้วน ม, มีความเห็นคล้อยตามขันทั้งส่วนอดีตและอนาคตปรารบขันทั้งส่วนอดีตและอนาค ต, ป ร, าราคตประกาศวาทะสแสดงทิฏฐิต่างๆทั้งหมดถูกทิฏฐิ62นี้ ซึ่งเป็นดุจตาข่ายปกคลุมเอาไว้ตกอยู่ในตาข่ายนี้เมื่อโผล่ขึ้นก็โผล่อยู่ในตาข่ายนี้ติดอยู่ในตาข่ายนี้ถูกปกคลุมเอาไว้เมื่อโผล่ขึ้นก็โผล่อยู่ในตาข่ายนี้เองเปรียบเหมือนชาวประมงหรือลูกมือชาวประมงผู้ชำนาญใช้แห่ตาถีทอดลงหนองน้าเล็กๆ เ, เขาคิดว่าบรรดาสัตว์ตัวใหญ่ในหนองน้ำแห่งนี้ทั้งหมดถูกแหครอบเอาไว้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 อุปมาร่างกายเหมือนผลมะม่วงภิกษุทั้งหลายกายของตถาคตขาดตันหาที่พาไปสู่ภพเสียแล้วเทวดาและมนุษย์จกเห็นกายของตถาคตได้ชั่วเวลา ย, ยังดำรงอยู่หลังจากกายแตกสลายไปเพราะสิ้นชีวิตแล้วเทวดาและมนุษย์จกไม่เห็นกายนั้นอีกเปรียบเหมือนเมื่อกลุ่มผลมะม่วงถูกตัดขั้วผลมะม่วงทั้งหมดที่ห้อยอยู่กับขั้ว ก็ย่อมติดตามคู่นั้นไปฉันใดกายของตถาคตขาดตันหาที่จะพาไปสู่พบเสียแล้วเทวดาและมนุษย์จกเห็นกายของตถาคตได้ชั่วเวลาที่ยังดำรงอยู่หลังจากกายแตกสลายไปเพราะสิ้นชีวิตแล้วเทวดาและมนุษย์จะไม่เห็นกายนั้นอีกฉันนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ท่านพระอานนท์ได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ น่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏธรรมบรรยายนี้มีชื่อว่าอะไรพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานนท์เธอจงจำธรรมบรรยายนี้ว่าคายแห่งประโยชน์อัถชาละก็ได้คายแห่งธรรมธรรมชาละก็ได้คายแห่งสัพพัญญุตยานอันประเสริฐพรหมชาละก็ได้คายแห่งทิฏฐิ ทิฏฐิชาละก็ได้ตำราพิชัยสงครามสังฆามวิชัยอันยอดเยี่ยมก็ได้ภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมภาษิตของพระผู้มีพระภาคก็แลเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสเวยากรณภาษิตนี้จบลงโลกธาตุที่ประกอบด้วยหมื่นจักรวาลได้วันไหวแล้วแลพรมละมัชชลสูตรที่หนึ่งจบ สองสามัญญผลละสูตรว่าด้วยผลแห่งความเป็นสมณะเรื่องพระเจ้าอาชาตสตรูและราชอมาตย์เขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่สวนมะม่วงของหมอชีวกโกรมารพัฒเขตกรุงราชคลึกพร้อมด้วยพิสุสงมู่ใหญ่จำนวน1250รูปสมัยนั้นแหละในคืนวันเพ็ญขึ้น15้าค่ำ อันเป็นวันอุโบสถของเดือนที่สี่ซึ่งเป็นเดือนที่มีดอโกโกมุตบานสะพรั่งพระราชาแห่งแคว้นมคตรพระนามว่าอาชาสตรูเวเทหิบุตรมีอมาตย์แวดล้อมประทับนั่งอยู่บนประสาทชั้นบนขณะนั้นเท้าเธอทรงเปล่งอุทานว่าราตรีสว่างสวย์น่ารื่นรมงดงามน่าชื่นชมยิ่งนักเป็นเิก ง, งามยามดีวันนี้ เราควรไปหาสมณะหรือพราหมู้ใดหนอที่จะทำให้จิตใจของเราเบิกบานเลื่อมใสได้เมื่อท้าวเธอทรงเปล่งอุทานอย่างนี้ราชอามาดผู้หนึ่งได้กราบทูลว่าขอเดชะครูปุรณะกัสปะเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์เป็นผู้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้าลทัทธิคนจำนวนมากยกย่องกันว่าเป็นคนดี มีประสบการณ์มากบวชมานานมีชีวิตอยู่หลายรัชสมัยล่วงการผ่านวัยมามากพระองค์โปรดเสด็จเข้าไปหาท่านเมื่อเสด็จเข้าไปหาพระไทยของพระองค์จะเบิกบานเลื่อมใสเมื่อราชอาหมาดผู้นั้นกราบทูลอย่างนี้เท้าเธอทรงนิ่งราชอาหมาดอีกคนหนึ่งได้กราบทูลว่าโคเดชะครูมัคคิโคสาลเป็นเจ้าหมูเจ้าคณนะ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 พระไทยของพระองค์จะเบิกบานเลื่อมใสเมื่อราชอามาดผู้นั้นกราบทูลอย่างนี้เท้าเธอก็สงนิ่งราชอามาดอีกคนหนึ่งได้กราบทูลว่าขอเดชะครูปรกุทะกัจจายณนะเป็นเจ้าหมูเจ้าคณนะเป็นคณาจารย์เป็นผู้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้าลทัทธิคนจำนวนมากยกย่องกันว่าเป็นคนดี มีประสบการณ์มากบวชมานานมีชีวิตอยู่หลายรัชสมัยล่วงการผ่านวัยมามากพระองค์โปรดเสด็จเข้าไปหาท่านเมื่อเสด็จเข้าไปหาพระทัยของพระองค์จะเบิกบานเลื่อมใสเมื่อราชอาณาตักรผู้นั้นกราบทูลอย่างนี้เท้าถธอโ้งงอหนิ่งราชอาาตอีกคนหนึ่งได้กราบทูลว่าขอเดชะครูสัญชัยเวรัตบุตรเป็นเจ้าหมูเจ้าคณะ เป็นคณาจารย์เป็นผู้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้าลัตทิคนจำนวนมากยกย่องกันว่าเป็นคนดีมีประสบการณ์มากบวชมานานมีชีวิตอยู่หลายรัชสมัยล่วงการผ่านวัยมามากพระองค์โปรเสด็จเข้าไปหาท่านเมื่อเสด็จเข้าไปหาพระทัยของพระองค์จะเบิกบานเลื่อมใสเมื่อราชอาหมัดผู้นั้นกราบทูลอย่างนี้เท้าเถอโค้สงอนิ่ง ราชาารอัมมาติคนหนึ่งได้กราบทูลว่าขอเดชะครูนิครนนาตบุตรเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณนะเป็นคณาจารย์เป็นผู้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้าลทัทธิคนจนํานวนมากยกย่องกันว่าเป็นคนดีมีประสบการณ์มากบวชมานานมีชีวิตอยู่หลายรัชสมัยล่วงการผ่านวัยมามากพระองค์โปรดเสด็จเข้าไปหาท่านเมื่อเสด็จเข้าไปหา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 นั่งนิ่งอยู่ณนะที่ไม่ไกลจากพระเจ้าอาชาสตรูเวเทหิบุตรเท้าเธอตรัสถาหมอชีวกกมารพัทว่าสหายชีวกทำไมท่านจึงนิ่งอยู่เล่าหมอชีวกกมารพัททูลตอบว่าขอเดชะพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบประทับอยู่ที่สวนมะม่วงของข้าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่จำนวน 1,250 พรูปพระองค์มีพระกิติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตต่สรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียรพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถิฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาค พระองค์โปรดเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นเมื่อเสด็จเข้าไปเฝ้าพระทัยของพระองค์จะเบิกบานเลื่อมใสเท้าเธอจึงมีรับสั่งว่าถ้าอย่างนั้นท่านจุงสั่งให้จัดเตรียมขบวนช้างเถิดสหายชีวกหมอชีวกโกมรารพัฒกราบทูลรับสนองพระบรมราชองค์การแล้วสั่งให้เตรียมช้างพังห้า้อยเชือกและช้างพระที่นั่งกราบทูลว่า ขบวนช้างพร้อมแล้วขอเชิญใต้ฝ่าละองธุรีพระบาทเสด็จเถิดพระเจ้าค่ะต่อมาพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรโปรดให้สตรีห0 0คนขึ้นช้างพังเชือกละหนึ่งคนแล้วทรงช้างพระที่นั่งมีผู้ถือคบเพลิงเสด็จออกจากกรุงราชครื้ด้วยราชานุภาพอันยิ่งใหญ่สมพระเกียรติไปสวนมะม่วงของหมอชีวกโกมรารพัฒพอใกล้จะถึงสวนมะม่วง เท้าเธอทรงหวาดระแวงพระโลมชาตชูชันจึงตรัสถามหมอชีวกโกมารพัทว่าสหายชีวกท่านไม่ได้หลอกเราไม่ได้ลวงเราไม่ได้นำเรามาให้ศัตรูดอกหรือภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่จำนวนหนึ่งรหรูปทำไมจึงไม่มีเสียงจามเสียงกระแอมไอหรือเสียงพูดคุยกันเลยหมอชีวกโกมารพัททูลตอบว่า พระองค์โปรดอย่าได้ทรงหวาดระแวงไปเลยข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้หลอกพระองค์ไม่ได้ลวงพระองค์ไม่ได้นำพระองค์มาให้ศัตรูหรอกขอเดชะพระองค์โปรดเสด็จเข้าไปเถิดนั่นยังมีแสงประทีป ต, ตามอยู่ในหอนั่ง เจ้าอาชาติศัตรูทูลถามเรื่องผลแห่งความเป็นสมณะเท้าเธอจึงได้เสด็จเข้าไปโดยขบวนช้างพระที่นั่งจนสุดทางช้างแล้วเสด็จลงจากช้างพระที่นั่งเข้าทางประตูหอนั่งตรัสถามหมอชีวกโ ก, โกมารพัทว่าสหายชีวกพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ไหนเล่าหมอชีวกโกมรารพัททูลตอบว่าขอเดชะผู้ประทับนั่งพิงเสากลาง ผินพระพักไปทางทิ่ตะวันออกข้างหลังภิกษุสงฆ์นั่นแหลคือพระผู้มีพระภาคพระเจ้าค่าลำดับนั้นพระเจ้าชาติศัตรูเวทีหิบุตรเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ประทับยืนณนที่สมควรทรงชำระลองเห็นภิกษุสงฆ์สงบนิ่งเหมือนสระน้ำใสจึงทรงเปล่งอุทานว่าขอให้อุทัยพักุมารของเรา จงมีความสงบอย่างภิกษุสงฆ์ในเวลานี้เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาปิฏพระองค์เสด็จมาตามความรักบัญชาเท้าเธอกราบทูลว่าอุทัยพัทกุมารเป็นที่รักของหม่อมฉันขอให้เธอจงมีความสงบอย่างภิกษุสงฆ์ในเวลานี้เถิดพระพุทธเจ้าค่ะลำดับนั้นเท้าเธอทรงกราบพระผู้มีพระภาคทรงไหว้ภิกษุสงฆ์แล้วประทับนั่งณที่สมควร กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมอมฉันขอวโรกาสทูลถามปัญหาบางอย่างกับพระผู้มีพระภาคหากพระผู้มีพระภาคจะประทานพระวโรกาสเพื่อทรงต่อปัญหาของหม่อมฉันพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเชิญถามตามพระประสงค์เถิดมหาปิฏพระเจ้าชาติศัตรูเวเทหิบุตรได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อาชีพที่อาศัยศิลปะเหล่านี้คือพลช้างพลมา้าพลรถพลธนูพนักงานเชิญทงพนักงานจัดกระบวนทัพพวกจัดทรงสเสบียงราชนิกูลผู้ทรงเป็นนายทหารระดับสูงพลอาสาขุนพลพลกล้าพลสวมเกราะพวกทาาเรือนเบีย้ยพวกทําขนมช่างการระบบพนักงานเครื่องสงพวกพ่อค้า ช่างดอกไม้ช่างย้อมช่างหูช่างจักสารช่างหม้อนักคํานวณ น, นักบัญชีหรืออาชีพที่อาศัยศิลปะอย่างอื่นทํานองนี้คนเหล่านั้นได้รับผลจากอาชีพที่อาศัยศิลปะที่เห็นประจักษ์มาเลี้ยงชีพในปัจจุบันจึงบํารุงตนเองบิดามารดาบุตรภันยามิตสหายให้เป็นสุขบําเพ็ญทักษิณาในสมณพราหมณ์ซึ่งมีผลมาก เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์พระองค์จะทรงบัญญัติผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบันได้เช่นนั้นบ้างหรือไม่พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่ามหาปพิธพระองค์ทรงจําได้หรือไม่ว่าปัญหาข้อนี้ได้ตรัสถามสมณะพราหมณ์อื่นมาบ้างแล้ว หมอมฉันจำได้ว่าเคยถามปัญหาข้อนี้กับสมณพราหมณ์เหล่าอื่นมาแล้วพระพุทธเจ้าข้าท่านเหล่านั้นตอบว่ายัางไรหากไม่หนักพระไทยเชิญพระองค์ตรัสเถิดณสถานที่ที่มีพระผู้มีพระภาคหรือผู้เปรียบดังพระผู้มีพระภาคประทับนั่งอยู่หมอมฉันไม่หนักใจเลยพระพุทธเจ้าข้าถ้าอย่างนั้นเชิญพระองค์ตรัสเถิดมหาะพิต ลัทธิของครูปุรณะกัสปะอกิริยวาทะลัทธิที่ถือว่าทำแล้วไม่เป็นอันธรรมพระเจ้าชาติศัตรูเวเทหิบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคราวหนึ่งในครุงราชครุนี้มอมฉันเข้าไปหาครูปุรณะกัสปะถึงที่อยู่เจรจาปราศัยกันพอคุ้นเคยดีได้นั่งลงถามครูปุรณะกัสปะว่าท่านกัสปะ อาชีพที่อาศัยศิลปะมากมายเหล่านี้คือพลช้างพลมา้าพลรถพนธนูพนักงานเชิญทงพนักงานจัดกระบวนทัพพวกจัดงสงเสียงราชนิกุลผู้ทรงเป็นนายทหารระดับสูงพลอาสาขุนพลพลกล้าพลสวมเกราะพวกทาสเรือนเบียพวกทำขนมช่างกระบกพนักงานเครื่องสงพวกพ่อค้า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 มีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์ท่านกัสปะจะบัญญัติผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบันได้เช่นนั้นบ้างหรือไม่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อมอมฉันถามอย่างนี้ครูปุรณกัสปะตอบว่ามหาปพิธเมื่อบุคคลทาเองใช้ให้ผู้อื่นทำตัดเองใช้ให้ผู้อื่นตัดเบียดเบียนเองใช้ให้ผู้อื่นเบียดเบียน ทำให้เศร้าโศกเองใช้ให้ผู้อื่นทำให้เศร้าโศกทำให้ลำบากเองใช้ให้ผู้อื่นทำให้ลำบากดิ้นรนเองใช้ให้ผู้อื่นทำให้ดิ้นรนฆ่าสัตว์ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ตัดช่องย่องเบาปล้นทำจรกรรมในบ้านหลังเดียวดักซุ่มที่ทางเปลี่ยวเป็นชู้ผู้เท็จผู้ทำเช่นนั้นก็จัดว่าทาบาปแม้หากบุคคลใช้จักมีคม ดุดมีโกนสังหารเหล่าสัตว์ในปฐพีนี้ให้เป็นดุดลานตากเนื้อให้เป็นกองเนื้อเดียวกันเขาย่อมไม่มีบาปที่เกิดจากกรรมนั้นไม่มีบาปมาถึงเขาแม้หากบุคคลไปฟังขวาแม่น้ําคงคาฆ่าเองใช้ให้ผู้อื่นฆ่าตัดเองใช้ให้ผู้อื่นตัดเบียดเบียนเองใช้ให้ผู้อื่นเบียดเบียนเขาย่อมไม่มีบาปที่เกิดจากกรรมนั้นไม่มีบาปมาถึงเขา แม้หากบุคคลไปฝั่งซ้ายแม่น้ำคงคาให้เองใช่ให้ผู้อื่นให้บูชาเองใช่ให้ผู้อื่นบูชาเขาย่อมไม่มีบุญที่เกิดจากกรรมนั้นไม่มีบุญมาถึงเขาไม่มีบุญที่เกิดจากการให้ทานจากการฝึกอินทรีย์จากการสมรวมจากการพูดคำสัตว์ไม่มีบุญมาถึงเขามอมฉันถามถึงผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์แต่ครูปุรณกัสปะ กลับตอบเรื่องที่ทําแล้วไม่เป็นอันธรรมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมอมฉันถามถึงผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์แต่ครูปุรณกัสปะกลับตอบเรื่องที่ทําแล้วไม่เป็นอันธรรมเปรียบเหมือนเขาถามเรื่องมะม่วงกลับตอบเรื่องขนุนสำปลอหรือเขาถามเรื่องขนุนสำปลอกลับตอบเรื่องมะม่วงหมอมฉันจึงคิดว่าคนระดับเรา จะรุกรานสมณพราหมณ์ผู้อยู่ในราชอาณาเขตได้อย่างไรกันมอมฉันจึงไม่ชื่นชมไม่ตำหนิคำกล่าวของครูปุรณะกัสปะถึงไม่ชื่นชมไม่ตำหนิแต่ก็ไม่พอใจและไม่เปล่งวาจาแสดงความไม่พอใจออกมาเมื่อไม่ยึดถือไม่ใส่ใจคำกล่าวนั้นก็ได้ลุกจากที่นั่งจากไป ลัทธิของครูมัคคิโคสารนัติกะวาทะลัทธิที่ถือว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคราวหนึ่งในกรุงราชครุนี้ม่อมฉันเข้าไปหาครูมัคคิโคสารถึงที่อยู่เจรจาปราศัยกันพอคุ้นเคยดีได้นั่งลงถามครูมัคคิโคสารว่าท่านโคสารอาชีพที่อาศัยศิลปะมากมายเหล่านี้คือละถึง ท่านโคสานจะบัญญัติผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบันได้เช่นนั้นบ้างหรือไม่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อมอมฉันถามอย่างนี้ครูมคคลิโคสานตอบว่ามหาปปิภิกความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยสัตว์ทั้งหลายเศร้ามองเองความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยสัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์เองไม่ใช่เพราะการกระทําของตน และไม่ใช่เพราะการกระทําของผู้อื่นไม่ใช่เพราะการกระทําของมนุษย์ไม่มีกําลังไม่มีความเพียรไม่มีความสามารถของมนุษย์ไม่มีความพยายามของมนุษย์สัตว์ปานะภูตะชีวะทั้งปวงล้วนไม่มีอํานาจไม่มีกําลังไม่มีความเพียรผันแปรไปตามโชคชะตาตามสถานภาพทางสังคมและตามลักษณะเฉพาะตนย่อมสเสวยสุขและทุกข์ในอภิชาติทั้งห อ่กําเนิดที่เป็นประธาน 1,46600 ก, ก, ก, ก, ก, กํา500กํา5กํา3กํา1กํากึ่งปฏิปทา62อันตรกับ62อภิชาติ6ปุริษภูมิ8อาชีวก 4,900 ปริภาชก 4,900 นาขวา 4,900 อินทรีย2000นรก300ราโชทาตส6สัญญีคันเจอสัญญีคันเจนิคันถีคันเจเทวดาเจ็มนุษย์เจปีศาจเจสะเจตาไมา้ไผ่เจตาไมา้ไผ่เจ0รเหวใหญ่เจเหวน้อยเจ0ร้อย มหาสุบินเจ็สุบินเจ็ร้อมหากับ8ปดล้านสี่แสนเหล่านี้ที่คนพาลและบัณฑิตพากันเที่ยวเวียนไว้ไปแล้วจักทำที่สุดทุกได้เองไม่มีความสมหวังในความปรารถนาว่าเราจะอบรมกรรมที่ยังไม่ให้ผลให้ให้ผลหรือสัมผัสกรรมที่ให้ผลแล้วจักทำให้หมดสิ้นไปด้วยศีลพรตตบะหรือพรหมจันนี ไม่มีสุขทุกข์ที่ทำให้สิ้นสุดลงได้จํานวนเท่านั้นเท่านี้เหมือนตวงด้วยทนานไม่มีสังสารวัตที่ทำให้สิ้นสุดไปได้ด้วยอาการอย่างนี้ไม่มีความเสื่อมและความเจริญไม่มีการเลื่อนขึ้นสูงและเลื่อนลงต่ำพวกคนพานและบัณฑิตพากันเที่ยวเวียนไหวไปแล้วก็จะทำที่สุดทุกได้เองเหมือนกลุ่มได้ที่ถูกคว้างไปย่อมคลี่หมดไปได้เองฉะนั้น ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมอมฉันถามถึงผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์แต่ครูมัคลิโคสารกลับตอบเรื่องความบริสุทธิ์เพราะเวียน่หวตายเกิดเปรียบเหมือนเขาถามเรื่องมะม่วงกลับตอบเรื่องขนุนสำปลอหรือเขาถามเรื่องขนุนสำปลอกลับตอบเรื่องมะม่วงมอมฉันจึงคิดว่าคนระดับเราจะรุกรานสมณพราหมณ์ผู้อยู่ในราชนาเขตได้อย่างไรกัน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 ลัทธิของครูอชิตะเกตกำพลอุเชธวาทะลัทธิที่ถือว่าหลังจากตายแล้วอัตตาขาดศูนย์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคราวหนึ่งในครงราชครุนี้หม่อมฉันเข้าไปหาครูอชิตะเกตกำพลถึงที่อยู่เจรจาปราสายกันพอคุ้นเคยดีได้นั่งลงถามครูอชิตะเกตกำพลว่าท่านอาชิตะ อาชีพที่อาศัยศิลปะมากมายเหล่านี้คือละถึงท่านอาชิตะจะบัญจัดผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบันได้เช่นนั้นบ้างหรือไม่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อมอมฉันถามอย่างนี้ครูอาชิตะเกตกำพลตอบว่ามหาประพิษทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลการเส้นสวงก็ไม่มีผล ผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วก็ไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีบิดาไม่มีคุณมารดาไม่มีคุณสัตว์ที่เกิดผุดขึ้นก็ไม่มีสมณะพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิงเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งก็ไม่มีในโลกมนุษย์คือที่ประชุมแห่งมหาภูตรูปสี่เมื่อสิ้นชีวิตธาตุดินไปตามธาตุดิน าธาตุน้ำไปตามาธาตุน้ำาธาตุไฟไปตามาธาตุไฟาธาตุลมไปตามาธาตุลมอินทรีย์ทั้งหลายย่อมผันแปรไปเป็นอากาศธาตุมนุษย์มีเตียงนอนเป็นที่ห้านำศพไปร่างกายปรากฏอยู่แค่ป่าช้ากลายเป็นกระดูขาวโพลนดุดสีนกพิราบการเส้นสวงสิ้นสุดลงแค่เท่าทานคนขาวบัญญัติทานนี้ไว้ คำที่คนบางพวกย้ําว่ามีผลนั้นว่างเปล่าเท็จไร้สาระเมื่อสิ้นชีวิตไม่ว่าคนขา่าหรือคนฉลาดย่อมขาดศูนย์ไม่เกิดอีกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันถามถึงผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์แต่ครูอาชิตะเกศกัมพลกลับตอบเรื่องความขาดศูนย์เปรียบเหมือนเขาถามเรื่องมะม่วงกลับตอบเรื่องขนุนสำปลอหรือเขาถามเรื่องขนุนสำปลอ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 ลัทธิของครูปรกุทกัจจายนะนัตถิกะวาทะลัทธิที่ถือว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคราวหนึ่งในกรุงราชครุนี้มอมฉันเข้าไปหาครูปกุทะกัจจายนะถึงที่อยู่เจรจาปราสายกันพอคุ้นเคยดีได้นั่งลงถามครูปกุทะกัจจายนะว่าท่านกัจจายนะ อาชีพที่อาศัยศิลปะมากมายเหล่านี้คือละถึงท่านกัจยณนะจะบัญญัติผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบันได้เช่นนั้นบ้างหรือไม่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อมอมฉันถามอย่างนี้ครูปกุทะกัจยณนะตอบว่ามหาบพิษสภาวะเจ็ดกองนี้ไม่มีผู้สร้างไม่มีผู้บรดาลไม่มีผู้เนรมิตรไม่มีผู้ให้เนรมิตรยั่งยืน มั่นคงดุดยอดภูเขาดุดเสาระเนียดไม่วันไหวไม่ผันแปรไม่กระทบกระทั่งกันไม่ก่อให้เกิดสุขหรือทุกข์หรือทั้งสุขและทุกข์แก่กันและกันสภาวะเจ็ดกองนั้นคืออะไรบ้างคือกองแห่งธาตุดินกองแห่งธาตุน้ากองแห่งธาตุไฟกองแห่งธาตุลมกองสุขกองทุกข์กองชีวะสภาวะเจ็ดกองเหล่านี้ไม่มีผู้สร้าง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 ไม่มีผู้ทำให้คนอื่นรู้ใครก็าตามแม้จะเอาศัตราคมตัดศีรษะใครก็ไม่ชื่อว่าปลงชีวิตใครได้เพราะเป็นเพียงศัตราแทรกผ่านไประหว่างสภาวะเจ็ดกองเท่านั้นเองข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมอมฉันถามถึงผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์แต่ครูประกุทะกัจจา ย, ยนะกลับตอบเรื่องความขาดศูนย์ เปรียบเหมือนเขาถามเรื่องมะม่วงกลับตอบเรื่องขนุนสมปลอหรือเขาถามเรื่องขนุนสมปลอกลับตอบเรื่องมะม่วงหม่อมฉันจึงคิดว่าคนระดับเราจะลุกรานสมณพราหมณ์ผู้อยู่ในราชนาเขตได้อย่างไรกันหม่อมฉันจึงไม่ชื่นชมไม่ตำหนิคำกล่าวของครูปกุทะกัจจายนะถึงไม่ชื่นชมไม่ตำหนิแต่ก็ไม่พอใจและไม่เปล่งวาจาแสดงความไม่พอใจออกมา เมื่อไม่ยึดถือไม่ใส่ใจคำกล่าวนั้นก็ได้ลุกจากที่นั่งจากไปลัทธิของครูนิครนนาตบุตรอตตะกิลมฐานุโยลัทธิที่ถือว่าการทรมานตนเองเป็นการเผากิเลส ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคราวหนึ่งในกรุงราชครุนี้มอมฉันเข้าไปหาครูนิครนนาตบุตรถึงที่อยู่เจรจาปราศัยกันพอคุ้นเคยดีได้นั่งลงถามครูนิครนนาตบุตรว่าท่านอคิเวชนะอาชีพที่อาศัยศิลปะมากมายเหล่านี้คือและถึงท่านอคิเวสนะจะบรรยายนผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบันได้เช่นนั้นบ้างหรือไม่ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อมอมฉันถามอย่างนี้ครูนิครนหน้าตะบุตรตอบว่ามหาเบรพิตนิครนในโลกนี้สารวมด้วยการสังวรสี่อย่างคือ 1. เว้นน้ํำดิบทุกอย่าง 2. ประกอบกิจที่เว้นจากบาปทุกอย่าง 3. ล้างบาบทุกอย่าง 4. รับสัมผัสทุกอย่างโดยไม่ให้เกิดบาปนิครนสารวมด้วยการสังวรสอย่างนี้ ดังนั้นบัณฑิตจึงเรียกว่าผู้ถึงที่สุดแล้วสำรวมแล้วตั้งมั่นแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหมอมชันถามถึงผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์แต่ครูนิครนหน้าตบุตรกลับตอบเรื่องความสังวรสี่อย่างเปรียบเหมือนเขาถามเรื่องมะม่วงกลับตอบเรื่องขนุนสำปลอหรือเขาถามเรื่องขนุนสำปลอกลับตอบเรื่องมะม่วงหมอมฉันจึงคิดว่า